พระมหาศัราชได้ฟังพระดํารัสดังนั้นก็หัวเราะคิดว่าพระราชานี้ไม่รู้ว่าเราส่งพระมเหสีและพระวงศานวงศ์ของพระองค์ไปกรุงมิถิลาแล้วเพราะฉะนั้นจึงคิดลงกรรมกรแก่เราแต่อาจยิงเราด้วยสนหรือทําโทษอย่างอื่นตามชอบพระหฤทัยของพระองค์ด้วยความพิโรธเอาเถิด เราจะแจ้งเหตุการณ์เพื่อทำให้พระองค์โสกาดูนเสวยทุกบรรทมสลบอยู่บนหลังช้างที่นั่งนั่นเองคิดฉะนั้นแล้วจิงทูลว่าถ้าพระองค์ตัดมือและเท้าหูและจมูกของข้าพระองค์พระเจ้าวิเทหราชจยากให้ตัดพระหัตและพระบาทพระกันและพระนาศิกของพระปัญจาลจันทราชโอรสพระนางปัญจาจันทีราชธิดา และพระนางนันทาเทวีถ้าพระองค์ตัดมือและเท้าหูและจมูกของข้าพระองค์พระเจ้าวิเทหราชจกให้ตัดพระหัต์และพระบาทพระกันและพระนาสิกของพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค์อย่างนั้นเหมือนกันถ้าพระองค์เสียบเนื้อข้าพระองค์ในหลาย่างให้ร้อน พระเจ้าวิเทหราชก็จักให้เสียบเนื้อพระปัญจาลจจนทราชโอรสพระนางปัญจาลจจนทีราชธิดาและพระนางนันทเทวีในเหลาวย่างให้ร้อนถ้าพระองค์เสียบเนื้อของข้าพระองค์ในเหลาวย่างให้ร้อนพระเจ้าวิเทหราชจักให้เสียบเนื้อพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค์ ในเหลาย่างให้ร้อนอย่างนั้นเหมือนกันถ้าพระองค์จักทิมแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชก็จักให้ทิมแทงพระปัญจลจจนทราชโอรสพระนางปัญจาลจจนทีราชธิดาและพระนางนันทาเทวีพระมเหสีของพระองค์ด้วยหอกถ้าพระองค์จักทิมแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชจักทิมแทงพระราชโอรส ราชธิดาและพระมเหสีของพระองค์ด้วยหอกอย่างนั้นเหมือนกันข้อความดังกราบทูลมาอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งสองคือพระเจ้าวิเทหราชกับข้าพระองค์ได้ปรึกษาตกลงกันไว้แล้วเป็นความลับโล่หนังมีน้ำหนักหนึ่งร้อยปะละที่ช่างหนังทำสำเร็จแล้วด้วยมีดของช่างหนังย่อมช่วยป้องกันตัว เพื่อห้ามกันลูกศรทั้งหลายฉันใดข้าพระองค์เป็นผู้นำความสุขบรรเทาทุกข์ถวายพระเจ้าวิเทหราชผู้เรืองยศก็จำต้องทำลายลูกศรคือพระดำริของพระองค์ด้วยโล่หนังหนักหนึ่งร้อยปะละคือความคิดของข้าพระองค์ฉันนั้นบันดาคําเหล่านั้นคําว่าจกให้ตัดเชทยิสติความว่า พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับว่าได้ยินว่าพระเจ้าจุลนีตัดมือเท้าของมโหสถบัณฑิตแล้วก็จักให้ตัดพระประยุรยาตของพระเจ้าจุลนีเหมือนกันคำว่าพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีปุตตะทารสักความว่าพระราชาของพวกข้าพระองค์จักให้ตัดมือเท้าของคนสามคนคือพระราชโอรส พระราชธิดาสองและพระอัครมเหสีหนึ่งเพราะตัดมือตัดเท้าของข้าพระองค์คนเดียวเป็นเหตุข้อว่าข้อความดังกราบทูลมาอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งสองได้ปรึกษาตกลงกันไว้เป็นความลับเอวังโนมันติตังระโหความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์และพระเจ้าวิเทหาราช ได้ปรึกษาตกลงกันไว้ในที่ลับอย่างนี้ว่าพระเจ้าจุลนีรับสั่งให้กระทํากรรมใดๆแก่ข้าพระองค์ในกรุงปัญจาลนี้พระเจ้าวิเทหราชพึ่งกระทํากรรมนั้นๆแกพรร่พระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีของพระองค์ในกรุงมิถิลานั้นคําว่าหนึ่งร้อย巴拉巴拉สตังความว่า หนังน้ำหนักประมาณหนึ่งร้อยปละที่ให้ขี้เท่าเป็นอันมากกัดให้อ่อนนุ่มมีดของช่างหนังท่านเรียกว่าโกนติมันตาในคำว่าที่ช่างหนังทำสำเร็จแล้วด้วยมีดของช่างหนังโกนติมันตาสุนิทิตังได้แก่โลหนังสำเร็จด้วยดีเพราะรอยตัดทั้งหลายทำด้วยมีดของช่างหนังนั้น คำว่าช่วยป้องกันตัวตนุตานายะความว่าโลหนังนั้นเข้าถึงความป้องกันสรีระเพื่อป้องกันลูกสอนทั้งหลายคือป้องกันลูกสอนทั้งหลายรักษาสรีระไว้ได้ฉันใดคำว่าผู้นำความสุขมาให้สุขาวะโหความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าแม้ข้าพระองค์ก็เป็นผู้นำความสุข มาถวายแด่พระราชาของพวกข้าพระองค์โดยห้ามปัจจามิตรทั้งหลายเหมือนโลหหนังสำหรับป้องกันลูกศรของพระองค์คําว่าบันเทาทุกทุกขูโธความว่าข้าพระองค์นำมาซึ่งความสุขทางกายและทางใจบันเทาความทุกข์คําว่าพระดำริของพระองค์มะตินเตความว่าเพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จักต้องทำลายความคิดคือปัญญาของพระองค์ด้วยความคิดของข้าพระองค์เหมือนป้องกันลูกสรด้วยโล่หนังหนักหนึ่งร้อยปะละนั้นพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นแล้วทรงพระดำริว่าบุตรครห บ, บดีพูดอย่างนี้ทำไมได้ยินว่าเราทำกรรมกรแก่เขาอย่างใด พระเจ้าวิเทหราชจากทรงรมกรรมกรแก่โอรสและมะเหสีของเราอย่างนั้นพุตคฤหบดีไม่รู้ว่าเราจัดการอารักขาโอรสและมะเหสีของเราอย่างดีบัดนี้เขาจะตายจึงบ่นเพอ้อด้วยกลัวตายนั่นเองเราไม่เชื่อคำของเขามโหสถคิดว่าพระราชาสำคัญตัวเราว่าพูดด้วยความกลัวตาย เราจักให้พระองค์ทรงทราบเสียจึงทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเชิญเถิดขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรดูภายในเมืองของพระองค์ซึ่งว่างเปล่านางสนมและกุมารทั้งหลายตลอดถึงพระชนนีของพระองค์ข้าพระองค์ให้นำออกจากอุโมงค์ไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชแล้ว บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอุโมงอุมมังคาความว่าข้าพระองค์สั่งค น, นหนุ่มๆของข้าพระองค์ไปพาพระวงศานุวงศ์เหล่านั้นลงจากปราศาสนำมาทางอุโมงนั่นแหละแล้วนำออกจากอุโมงใหญ่ถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชไปแล้วพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นจึงทรงคิดว่า บุรคฤหบดีนี้กล่าวหนักแน่นเหลือเกินอันหนึ่งเมื่อคืนนี้เราได้ยินเสียงเหมือนเสียงนางนันทาเทวีข้างแม่น้ำคงคามโหสดนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากบางทีพึงกล่าวจริงทรงคิดชนี้แล้วเกิดความโศกมีกำลังดำรงพระสติไว้ทำเป็นไม่โศก เมื่อจะตรัสเรียกอมรท์คนหนึ่งมาส่งไปให้รู้ความจึงตรัสคาถามว่าเจ้าจงไปภายในเมืองของเราตรวจตราดูเรื่องนั้นคําของมโหสถนี้จริงหรือเท็จอย่างไรอมร์นั้นพร้อมด้วยบริวารไปสู่พระราชนิเวศเปิดพระทวารเข้าไปภายในได้เห็นเหล่าคนผู้รักษาพระราชนิเวศ และเหล่าบริจาริกานารีที่ค่อมแครเป็นต้นถูกผูกมือและเท้าอุดปากติดกับไม้นาคทันทั้งหลายภาชนะในห้องเครื่องแตกทำลายคาธนียะโภชนียะเกลื่อนกล่นในที่นั้นและห้องประกอบด้วยสุริมีประตูเปิดมีการปล้นรัตนะซึ่งเหล่าปัจจามิตรเปิดประตูครั้งรัตนะกระทำแล้ว ได้เห็นฝูงกาเข้าไปทางพระทวารและพระแกลซึ่งเปิดทิ้งไว้เที่ยวอยู่พระราชนิเวศหาสิริไม่ได้เช่นกับบ้านที่ทิ้งแล้วหรือประหนึ่งพื้นสุสานจึงกลับมาเมื่อจะกราบทูลแด่พระราชาจึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามโหสดทูลอย่างใดข้อความนั้นก็เป็นอย่างนั้น ภายในพระราชนิเวศ ท, ทั้งปวงว่างเปล่าดุจที่ลงหากินของกาบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าดุจที่ลงหากินของกากากะปตนกังยะถาความว่าเป็นราวกับ ว, ว่าบ้านที่ทิ้งไว้ใกล้ฝั่งทะเลเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงกาที่มาด้วยกลิ่นหอมของปลา